คุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดในหนึ่งเดียวเพียงพอแก่การกล่าวมหาสจรรยร์หรือไม่คงต้องกราบถามบุคคลเช่นพระประเจกพะพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้เองเป็นอรหันต์ได้เองแต่ไม่มีวาสนานิสัยในการเผยแผ่พระสัท ธ, ธรรมอย่างพระพุทธเจ้าเชื่อว่าเหล่าพระปเจกพะพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องเช่นชมสาธุการอย่างใหญ่ท่านคงกล่าวตรงกันว่า ทำนั้นแม้จะแทงทะลุรอดพ้นด้วยตนเองก็ใช่จักคิดแจกแจงวิธีที่ชานฉลาดและประยุกได้กับสามั ญ, ญบุคคลเช่นนี้ต้องถึงขั้นสูงสุดคือสู่สามัญกันจริงๆเมื่อศึกษาครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมแล้วสิ่งที่ปรากฏชัดต่อท่านผู้เข้าใจสติปัฏฐานคือขอเพียงดูเป็นก็จะมีอะไรอย่างใด อย่าอื่นปรากฏอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้เองขอเพียงรู้เป็นเท่านั้นถามตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะพบกายเวทนาจิตหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งเด่นขึ้นมาไม่มีข้ออ้างเช่นเหนื่อยเกินไปคิ้วเกินไปหรือป่วยเกินไปเป็นอุปสรรค แม้ชาวเมืองที่ยังต้องกรางานหรือแบกภาระทางโลกหนักหักก็จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วต้นแบกห้องทดลองห้องปฏิบัติการธรรมะในสติปัฏฐานสีติดตัวไปทุกผลทุกแห่งเสมอให้หนักหนาแค่ไหนก็ตามข้อเท็จจริงคือพอตระหนักว่าอาการอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าอะไรในสติปัฏฐานก็จะได้สบายใจหายสงสัย ปฏิบัติกิจคือตามรู้ได้อย่างปราศจากข้อติดขัดเห็นว่าอะไรอะไรก็ปรากฏโดยความไม่เที่ยงไม่ทนไม่ใช่ตัวตนอยู่ทั้งนั้นเห็นแล้วทําลายที่ยืนของอัตตาลงได้ทีละเปราะทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามความมหาส tamam. ัจย์อันเป็นผลของมห mm. <ม>าสติป<ม>ัฏฐานสูตรนั้นเป็นเร<ม>ื่องที่ต้องรอคนลงมือทําและเอาจริงต่อเนื่อง หากปราศจากผู้มีองค์ประกอบพร้อมจะลงมือทาและเอาจริงต่อเนื่องแล้วมหาสติปัฏฐานสูตรก็จะเป็นเหมือนแก้วที่ถูกเก็บไว้ในที่มืดตลอดกาลดังนั้นควรตั้งข้อสังเกตไว้อีกประการหนึ่งว่ามีความอัศจรรย์หรือควรเรียกว่าเป็นความน่าประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงคือทั้งที่มหาสติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรใหญ่ ทั้งกับคงวิธีการตามลําดับขั้นไว้ครบเหมาะสําหรับผู้เริ่มถามหาวิธีการเข้าถึงมรรคผลว่าน้อยคนนักที่จะใส่ใจเอาตัวเข้าทดลองตามให้ครบถ้วนอย่างเป็นระบบตามลําดับนักปฏิบัติธรรมจํานวนมากกล่าวว่าตนมาตามแนวสติปัฏฐานสแต่เมื่อสอบเข้าไปก็ไม่พบทั้งในเบื้องต้นเบื้องกลาง และเบื้องปลายว่าเทียบเคียงได้กับส่วนใดของมหาสติปัฏฐานสูงใครอ้างว่าตนกําลังปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานก็ควรสอบว่ากําลังอยู่ในตรงจุดใดจะก้าวต่อไปอย่างไรบนเส้นทางสติปัฏฐานจริงๆเพื่อไม่ให้ต้องหลงตามทิฏฐิอันผิดพลาดประการใดประการหนึ่งสรุป ความอัศจรรย์ของมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นจารณไนแล้วคงไม่รู้จบสิ้นขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกมองตรงไหนเริ่มจากจุดใดแต่ที่ยกมา ก, กราวไว้ในเบื้องต้นนี้คงพอเป็นประมาณว่าภาพรวมของวิธีการของพระพุทธองค์นั้นมองผิวเผินเหมือนตรงไปตรงมาและง่ายแต่พิจิตรู้แล้ว ที่จะวางแนวไว้ได้ครบถ้วนครอบคลุมทุกแง่นี้ต้องอาศัยมหาสติปัฏฐานแห่งตถาคตเจ้าสถานเดียวและน่ามองสรุปให้เห็นตรงกันว่าความอัศจรรย์อย่างที่สุดของมหาสติปัฏฐานสูตรคือทำให้ผู้ฝึกแล้วอบรมจิตตามแนวนี้แล้วได้ถึงความพ้นทุกข์แบบไม่กลับกำเริบอีกซึ่งก็คือแก่นสารที่แท้จริงของพุทธศาสนานั่นเอง ก็หวังว่าบทนี้จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เชื่อมั่นรวมทั้งเกิดความกระตือรือร้นใคร้ศึกษาตัวแทนพระศาสดาในระดับที่เหมือนพระศาสดาอยู่สืบไปจนชั่วอายุไขของเรา ต่อไปเป็นบทที่สามกุเทศวารักคาถาพระพุทธพจน์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ในกุรุชนบทนินิคมของชาวกุรุชื่อชื่อว่ากรมาสธรรมะณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกเหล่าภิกษุสาวกว่าดูการภิกษุทั้งหลาย ผลทางนี้เป็นทางเดียวที่จะทำให้หล่าสัตว์บริสุทธิ์ได้ล่วงพ้นความโศกและความรำพันคล่่ากรวนได้ดับทุกข์และโทมนัสได้บร ล, ลุอริยมรรคเพื่อเห็นแจ้งพระนิพพานได้ผลทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ประการสประการนั้นมีอะไรบ้างดูกรรพิสุจทั้งหลายพิสุจในพระศาสนานี้พิจรารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอมีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกจะได้ nada, เป็นประรการหนึ่งพิจารณาเห็นวเวท si นาในเวทนาอยู่เสมอมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกจะได้ดังนี้อีกประการหนึ่งพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เสมอมีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสด็ได้นี้เป็นอีกประการหนึ่งพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เสมอมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสด็ได้นี้เป็นอีกประการหนึ่ง ส่วนนี้ขอมหาสติปัฐานสูตรพระพุทธองค์มุ่งแสดงให้เห็นโดยรวมว่าขอบเขตของการปฏิบัติสติปฐานสี่อยู่ตรงไหนบ้างถ้าให้สรุปเป็นภาษาง่ายสุดลัดสั้นสุดก็คงได้ว่ารู้เห็นมาในกายใจแต่เห็นอย่างไรในแบบที่จะทำให้ไปถึงที่หมายปลายทางคือแก่นสารของาศาสนาพุทธอันนั้นก็ต้องมีการขยายความ ถ้าขยายแบบสั้นดังที่พระพุทธองค์แสดงในบทอุเทศความหมายของอุเทศก็คือการยกขึ้นแสดงการยกขึ้นชี้แจงข้อที่ยกขึ้นแสดงหัวข้อก็ต้องว่าเห็นกายใจแบบเดียวแบบมีความเพียรมีสัมปชัญญะรวมทั้งมีสติชนิดที่กำจัดอภิชาความโลภเพ่งเลงอยากได้และโทมนัตความทุกข์ทางใจ ถ้าเห็นแบบไหนยังมีอภิชายังมีโทมานทแทรกอยู่แบบนั้นยังไม่ถูกท้วนดีพร้อมหรือถูกแล้วแต่ยังไม่ครอบองค์ผู้บรรลุธรรมชั้นสูงสุดหรือที่เรียกง่ายๆว่าพระอาหารหันต์นั้นจะไม่สวยทุกทางใจเลยแม้จะยังมีทุกันเกิดจากผัสสะทางกายได้อยู่เฉพาะตรงที่ท่านได้เพี่ยนรู้กายใจยังไม่มีความโลภไม่มีความทุกข์ใจนั้น ถ้าหากทำความเข้าใจอย่างดีแต่นั่นเงินก็จะทำให้เข้าถึงรายละเอียดทั้งหมดของการปฏิบัติปัฏฐานสี 4, ได้ถูกต้องยิ่งขึ้นใกล้เคียงภาวะสักแต่รู้อันเป็นเหตุปัจจัยแห่งกระบวนการล้างทุกขเข้าไปมากขึ้นแม้แต่โลภหวังมักผลโลภหวังความสงบหรือทุกเพราะไม่ได้มักผลดังใจทุกเพราะไม่ได้ความสงบดังใจ ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยหากปรูกฝังความเห็นแนวปฏิบัติไว้ชอบแล้วตรงแท้แล้วบทนี้จะกล่าวถึงแง่มุมการปฏิบัติโดยรวมกับทั้งตัวอย่างทดลองจริงแบบลัดสั้นเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดแล้วลงลึกอ่านบท ถ, ถัดไปได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆจนทราบแต่ต้นมือว่าเพียงรู้เป็นในขั้นพื้นฐานก็จะต่อยอดศึกษาหลักสูตร ระดับทุกของพระพุทธเจ้าด้วยความเข้าอกเข้าใจกับทั้งเห็นว่าเป็นของที่ทําได้จริงทั้งสิ้นเกิดผลตามประกาศธรรมของพระพุทธองค์ทุกประการก่อนถึงตัวสติปัฏฐานลองทําความรู้สึกตัวอย่างที่เคยรู้สึกมาตลอดชีวิตทันทีที่รู้สึกตัวก็รู้สึกว่าเรามีมีเรา เป็นเราชื่ออะไรไว้ไหนกำลังมีแนวโน้มอยากทำอะไรตรงนี้ก็เหมือนเหมือนกันทั้งโลกจะเฉยเมอ ย, ยินดีหรือหดหูอยู่ก็ตามนั่นแหละสภาวะจิตชนิดหนึ่งที่พร้อมจะทุกข์เพราะเรื่องนอกจากรู้ตัวเพราะลักษณะจิตมีอาการส่งออกนอกเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่โดยตรงในพิคุณีสูตร พสูตรตันตปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดความว่าดูกระอานน์การภาวนาย่อมมีเพราะไม่ตั้งจิตไว้ในภายนอกอย่างไรดูกระอานนพิกษุไม่ได้ตั้งจิตไว้ภายนอกย่อมรู้ชัดว่าจิตอันเราไม่ได้ตั้งไว้ภายนอกลำดับนั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าจิตของเราไม่ได้ฟุ้งซ่านไปข้างหลังและข้างหน้าพ้นแล้วไม่ได้แชร์เฉย ไม่ได้แช่เฉยแต่ก็แลในการนั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าเรากำลังพิจรารณาเห็นกายในกายอยู่เห็นเวทนาในเวทนาอยู่เห็นจิตในจิตอยู่เห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเป็นผู้มีความรู้ดังนี้ ใจตรงนี้ก็ได้สบายใจว่าขอบเขตของการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงจิตไม่ส่งออกนอกเหมือนปกติแต่เข้ามาตั้งอยู่รู้อยู่ในขอบเขตของสติปัฏฐานสีนั่นเองถ้าทําไว้ในใจอย่างนี้ก็จะเห็นต่อไปอีกว่าการภาวนานั้นไม่จํากัดสถานที่ไม่จํากัดเวลาและจํากัดแค่ ความสามารถที่จิตจะเปลี่ยนจากการส่งออกนอกเข้ามาในขอบเขตของสติปัฏฐานสี่ใครรักจะเป็นนักภาวนาจริงๆก็คงใจชื้นขึ้นหน่อยหนึ่งที่รู้ว่าไม่จำเป็นขั้นขอขาดบาดตายว่าต้องย้ายถิงฐานไปไหนในอันที่จะเริ่มต้นแต่ถ้าทำไว้ในใจว่าจิตขณะส่งออกนอกนั้น นิยามโดยคร่าวคือฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆอย่างปราศจากขีดจํากัดประศจากการทำไว้ในใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดย่อมเปลี่ยนไปย่อมไม่ทนหรือว่าย่อมทนไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่มีความเพียรไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสติก็ควรสืบสวนสืบสาวต่อไปอีกด้วยว่าจิตของเราตอนส่งออกนั้นมีความสะอาดอยู่ ในกรอบของศีลหรือเปล่าส่วนของศีลนั้นควรกล่าวอย่างแน่นอนเพราะเคยมีมาแล้วเช่นแสดงในพิขุสูตรสุตตันตปิฎกเล่มที่สบอที่พิสุรูปหนึ่งตั้งใจที่จะปริกวิเวกก็เข้าขอกราบขอรับแนวปฏิบัติหรืออุบายภาวนาจากพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ยังไม่อนุยังไม่บอกอุบายทันที ทว่าตรัสสั่งให้สำรวจตนเองในเรื่องของศีลก่อนเธอจงอย่างเบื้องต้นในกุศลธรรมให้บริสุทธิ์ก่อนเบื้องต้นของกุศลธรรมก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีศีลวิสุทธิ์และความเห็นตรงทิฏฐิวิสุทธิ์เมื่อใดศีลของเธอจะบริสุทธิ์ดีความเห็นของเธอจะตรงเมื่อนั้นเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้ว พึงเจริญสติปัฏฐานสี่โดยส่วนสามคือเจริญอย่างมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติก็ถ้าขาดศีลใชแล้วที่จะให้จิตสงบปราศจากความวั่นว้ปราศจากความฟุ้งซ่านจะเป็นไปได้อย่างไรตรงนี้กล่าวด้วยความสามาัญสมมึกทั่วไปถ้ายิ่งปฏิบัติไปจนกระทั่งจิตมีความเบิกบานมีความละเอียด มีความเพียรรู้ดูกายใจโดยความเป็นลักษณะมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งเห็นว่าแม้ศีลไม่สะอาดเพียงน้อยก็เพียงพอที่จะทำความแปลกเพื่อนให้แกจิตใจทำให้จิตใจไม่อาจรู้เห็นธรรมะที่ปรากฏตามจริงถึงแม่รู้ก็เหมือนรู้อย่างมีกังวลไม่ปลอดโปรง่งไม่แตกฉานบนฐานอันสะอาดแห่งจิตสำหรับแง่มุม อันเป็นรายละเอียดต่างๆของศีลไม่ได้กล่าวไว้ถึงในบทที่16หสัตว์จบ็บบกในที่นี้ขอสรุปขอระบุไว้เพียงสังเกตว่าหากเป็นผู้ที่ไร้ศีลก็จะไม่มีทางเอาดีได้ในการปฏิบัติธรรมเพราะจิตถูกห่อหุ้มไว้ไม่ให้มีทัศนวิสัยชัดเจนตรงจริงเพียงพอ ขอเชิญติดตามรับฟังมหาสติปัฐานสูตรต่อจากเมื่อตอนที่แล้วนะคะการฝึกรู้ตามจริงหากเป็นเหมือนคนทั่วไปที่ไม่คิดอะไรมากชีวิตก็คือการปรากฏเป็นตัวเราเป็นความเกี่ยวเนื่องกับบุคคลและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายของเราหรือถ้าจะมองเห็นเหตุการณ์ ขอยค่ะหรือถ้าจะมองเป็นเหตุการณ์ก็มีแต่ความเลื่อนไหลไปตามเงื่อนไขของเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นโดยพ่อแม่เติบโตด้วยอาหารและอากาศแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดด้วยความหมดอายุของกายเองไม่มีใครคิดถกเถียงเอาความจริงอื่นมามากกว่านี้แต่เมื่อเริ่มคิดเกี่ยวกับชีวิต เกี่ยวกับนิยามเกี่ยวกับความหมายเกี่ยวกับคุณค่าแต่ละคนอาจเกิดปรัชญาชีวิตในใจขึ้นมาแตกต่างกันไปเป็นคนละเรื่องในที่สุดความช่างปรัชญาของบางคนก็อาจจูงการเห็นภาพความจริงไปเป็นแบบต่างๆได้พิศดารได้พิสดารหลากหลายไม่รู้จบ นั่นทำให้ผู้คนมักงงสงสัยลังเลว่าอะไรกันแน่ที่จริงอะไรกันแน่ที่เท็จยกตัวอย่างเช่นถ้ามองแบบนะักการพนันช่านคิดก็อาจจะกล่าวว่าชีวิตคือการพนันที่เล่นแล้วก็มีเสียอย่างเดียวมองอย่างนี้ก็ได้ความจริงที่ถูกคือนอกจากคิดว่าเป็นเจ้าของอะไรแล้วเราไม่เคยจะมีอะไรจริงสักอย่างในเมื่อแม้แต่กายนี้ก็ต้องไปนอนเงียบในโรง บางคนได้ภาพความจริงแบบนี้ก็อาจจะปรงได้แต่บางคนอาจเกิดความสลดหดหูไม่รู้จะอยู่เพื่อเล่นเกมพ น, นันที่มีแต่เสียอยู่ทําไมเดือนค่าตัวตายไปก็มีหรือบางคนมองเลยไปว่าชีวิตนี้คือการท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายไม่รู้จบเชื่อในแบบที่เชื่อตามกันมาไม่ศึกษาไม่เคยได้ยินเรื่องเหตุผล การเกิดแบบต่างๆด้วยกรรมและวิบากอย่างนี้ถ้าใครว่าอยากขึ้นสวรรค์ต้องบูชายาลูกเมียก็หลงทำตามคำแนะนำอันเป็นวิชาทิจินั้นดังเคยมีปรากฏมาแล้วในอดีตสรุปว่าเชื่อแนวความจริงตามสูตรสำเร็จใดมนุษย์ก็มีแนวโน้มจะมีพฤติกรรมอันสอดคล้องกับความเชื่อนั้นๆเมื่อรับความจริงตามแนวอริยะหรือที่เรียกว่าอริยสัจ ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำไว้ในใจว่าท่านพูดเรื่องทุกข์และวิธีดับทุกข์ตอนเรายังไม่ประจักษ์ความจริงนั้นถึงที่สุดก็ต้องมองว่าอริยสัจเป็นอีกภาพความจริงที่ถูกเสนอขึ้นมาในโลกจะจัดเป็นความเชื่อหรือความเห็นของบุคคลพิเศษผู้หนึ่งก็ได้เสร็จแล้วก็ต้องดูวิธีที่จะเข้าถึงความเชื่อหรือความจริงนี้เอาจากมหาสติปัฏฐานสูตรนี่เอง ก็จะพบว่าพระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนให้คุ้นคิดเอาคาดเดาเอาแต่จะให้รู้ด้วยตนเองไปตามลำดับรู้ไหนรู้อันไหนก่อนก็เอาอันนั้นก่อนแล้วค่อยสาวไปถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นที่สุดสำหรับจิตมนุษย์อันเต็มไปได้วยความโยกโยกเลื่อนไหลไปมานั้นอะไรจะยิ่งไปกว่าความปรากฏของกาย อันเป็นรูปธรรมจับต้องได้ในปัจจุบันเช่นถ้าถามเอาคำตอบว่าขนาดนี้เดี๋ยวนี้ลมหายใจอยู่ในภาวะใดก็มีให้เลือกแต่คำตอบก็คือเข้าออกหรือหยุดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่มีคำตอบอื่นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้พร้อมกันอย่างเดียวเมื่อตอบได้ว่า ออกหรือหยุดก็ได้รู้ขึ้นมาหนึ่งรู้รู้ตัวนั่นเองปรุงจิตให้อยู่ในความเป็นกลางไม่แลไปข้างหลังไม่หวังไปข้างหน้ามีแต่ปัจจุบันให้รู้อยู่ซึ่งความรู้ปัจจุบันจะเป็นไปเพียงครู่หรือยาวเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความพอใจหรือชันท่าของแต่ละคนที่จะมีในสมาธิจ่ออยู่ และเช่นกันพิจารณาแล้วก็เห็นว่าการปรากฏของอิริยบทเป็นของแน่นอนและกำหนดได้ง่ายกว่าความจริงในขณะหนึ่งหนึ่งของอิริยบทเป็นอย่างไรระหว่างยืนเดินนั่งหรือว่านอนเมื่อเราฝึกให้จิตเขารู้ความจริงในแต่ละขณะได้ยิ่งบ่อยเท่าไรก็ยิ่งเป็นการปรับปรุงเข้าสู่ความรู้อย่างเป็นกลางมากขึ้นเท่านั้น นี่เอ็นเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการรู้ของจริงของนามธรรมาในขั้นต่ อ, ตอไปกระทั่งถึงอริยสัจอันน่ารู้ที่สุดควรสรุปที่ตรงนี้ด้วยแนวทางปฏิบัติใดก็ตามหากไม่ให้เริ่มต้นด้วยการรู้จริงตรงหน้าการปฏิบัตินั้นไม่ใช่สติปัฏฐานยิ่งการปฏิบัติเท่าไรมีแนวโน้มเกิดอุปทานลวงจิตขึ้นมากขึ้นเท่านั้น แล้วก็ยิ่งปฏิบัติขึ้นสูงเพียงใดโอกาสจะย้อนกลับมารู้ตามจริงแบบสติปัญฐานก็มีแนวโน้มเป็นไปได้น้อยลงเพียงนั้นนี่ไม่ใช่เพียงทฤษฎีแต่เป็นความจริงที่ปรากฏแล้วเป็นที่ประจักษ์แล้วทั้งอดีตปัจจุบันและแน่นอนว่ารวมถึงอนาค ต, ตการ ยาและละเอียดของจิตผู้รู้ดังกล่าวและตั้งแต่บทแรกว่าจุดหมายอันเป็นที่สุดของสติปัฏฐานสี่คือการรู้อริยสัจอันเป็นที่สุดของหมดธรรมและนี่เองก็เป็นจุดควรสังเกตว่าแต่ละหมดนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนเห็นอะไรเป็นสาคัญอย่างเช่นในหมดกายนั้นพระองค์ตั้งมาตรฐานสูงสุดไว้คือให้เห็นกายโดยความเป็นของอื่นของน่ารังเกียจ ของที่มีองค์ประกอบทางธรรมชาติโดยทำอย่างทำนั้นของวันหนึ่งจะต้องจัดกระจายเป็นชิ้นๆเพื่อผลก็คือเมื่อไม่พิสมัยไม่ยึดติดในกายใช้แล้วจิตก็แหนงหน่นายใครความยินดีจากผัสสะในโลกและแนวแนวเข้าสู่การพิจารณาไตรลักษณ์คือลักษณะของธรรมชาติอันมีความเป็นสามัญอยู่สามประการได้แก่ อนิจจังทุกขังและอนัตตาในส่วนของนามธรรมเพื่อความหลุดพ้นของออปทานทั้งปวงทั้งสิ้นเชิงแทนการสอนให้รู้ความเป็นกายแบบท่วนทั่วทีเดียวซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับจิตที่ยังวอกแวกและเต็มไปด้วยความคิดซัดจายรพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใค่อยๆสืบรู้ไปอย่างเปลือกได้แก่รู้ลมหายใจรู้อริยบทใหญ่ และการรู้ขยับต่างๆนั่นเองเมื่อสั่งสมไปตามธรรมชาติแล้วก็จะค่อยๆเห็นแกนคือความปรากฏทั่วพร้อมจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเองโดยไม่ต้องเพ่งเข้าไปรู้ที่จุดใดจุดหนึ่งหรือพยายามบังคับตัวเองให้รู้ทั่วกายแต่ประการใดเมื่อถึงจุดของการรู้กายทั่วพร้อมตามเป็นจริง ก็ง่ายที่จะเปลี่ยนจากสัญญาวิปลาสอันได้แก่เข้าใจและหมายจำอวัยวะกายมนุษย์นี้หอมหวานงดงามแปลอสุภาสัญญาเป็นความจริงเกี่ยวกับกายคือเป็นถุงเก็บอึเก็บฉี่บรรจุอยู่ด้วยคราบใครน้ำเลือดน้ำเหลืองลย่นวนอยู่ด้วยลมเสียลมเน่าโดยมีฉากนอกเป็นหนังห่อหุ้ม ชะลอความเหมนไม่ได้ชั่วคราวด้วยน้ำและฟองสบู่เท่านั้นถ้าหากตามรู้ตามสังเกตเปลือกของกายไปเรื่อยๆแม้แต่คนขี้เกียจที่สุดมีภาระการงานก็เป็นข้ออ้างสำหรับการไม่ขยันปฏิบัติที่สุดวันหนึ่งก็สามารถเท่าทันอรปยาบทและความเคลื่อนไหวต่างๆของกายได้พอสมควรหากศึกษาแผนที่มาดี ก็จะรู้ว่าการพิจารณาายเป็นของหน้ารังเกยียจที่น้อมเห็นเป็นของหน้ารังเกยียจก็เพื่อแหนงหนายคลายความยินดีหลุดพ้นยึดมั่นถือมั่นในขั้นยากเพื่อพัฒนาการคลายวางนั้นละเอียดตามลำดับต่อไปพูดให้ง่ายคือถ้าเห็นชัดว่าจิตเรายังยากก็ต้องว่ากันที่การรู้เปลือกว่ากัน ที่การรู้ของหยาบก่อนทั้งนี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติมาแล้วห้าปีจะต้องได้ภาวะจิตจพร้อมรู้ละเอียดอย่างเดียวหลายช่วงของวันก็ยังทรงอยู่ในความหยาบได้ไม่พร้อมรู้ไม่พร้อมพิจารณาสภาวะธรรมที่ละเอียดได้เช่นกันหลังจากปฏิบัติไปพักใหญ่วันหนึ่งทุกคนจะทราบตรงกันว่าภาวะมีหลายอย่างให้รู้ แต่สรุปแล้วหน้าที่ของเราก็คือรู้นั่นเองถึงจุดหนึ่งเมื่อเห็นว่าเรารู้ไว้รู้ทันสภาวะทั้งหยาบและละเอียดก็จะเหมือนได้กุญแจการภาวนาไว้กับตัวเมื่อได้มาแล้วก็ต้องถือกุญแจดอกนี้ไว้ดีๆรักษาไวด้ดีๆแล้วความก้าวหน้าพัฒนาการแห่งภาวนาจะตามมาเองเมื่อได้กุญแจแล้วการปฏิบัติก็ต่อเนื่องนั่นแหละคือความก้าวหน้า ตัวอย่างแนวฝึกรู้เบื้องต้นขอเพียงอ่านบรรัด น, นี้ได้ทุกคนมีความพร้อมจะรู้สติขอภัยค่ะ ทุกคนมีความพร้อมจะรู้แบบสติปัฏฐานและจะเห็นว่าอาจรู้ครบทุกหมวดคราวเดียวในช่วงเวลาไม่กี่อึดใจอีกด้วยตัวอย่างแนวฝึกต่อไปนี้เหมือนเส้นทางสำรวจรูปนามในปัจจุบันซึ่งจัดว่าเกิดขึ้นเป็นปกติในคนทั่วไปเมื่อเข้าใจว่าจะดูรูปและนามที่เกิดขึ้นอย่างไรแล้วลือกลงไปในรายละเอียด ของบทอื่นๆก็จะเห็นว่าทำความเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนรวมทั้งไม่ต้องรอสภาวะอันเป็นที่คาดหมายของผู้เริ่มปฏิบัติส่วนใหญ่เช่นความสงบหรือแสงสว่างพิเศษพิสดารกว่าภาวะดาษทั้งหลายหลังจากฝึ ก, กรู้ตามแบบแผนต่อไปนี้ผลที่เกิดขึ้นควรจะเป็นความตระหนัก ว่าบัญญัติสัพท์ทั้งหลายที่พระพุทธองค์แจกแจงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรมีความสำคัญในแง่เป็นหลักให้เกิดความเห็นอย่างไรหลักการผูกลำดับการรู้อาศัยอิงรูปนามจากหยาไปสู่ละเอียดดังนี้ลำดับแรกรู้ตัวออกมาจากความรู้กายลำดับที่สอง รู้เวทนาออกมาจากความรู้ตัวลำดับที่สามรู้จิตออกมาจากความรู้เวทนาลำดับที่สี่รู้ทั่วถึงธรรมออกมาจากความรู้กายเวทนาและจิต